รวมความว่าวิมุตตที่จะเป็นความหลุดพ้นเด็ดขาดให้เข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงต้องจบลงด้วยปัญญาวิมุตตจึงจะทำให้เจโตวิมุตตซึ่งไม่ว่าจะเกิดมีมาก่อนนานแล้วก็ดีเกิดขึ้นแล้วแต่กลับเสื่อมไปและกลับได้ใหม่อีกแล้วแล้วเล่าเล่าก็ดีหรือเจโตวิมุตตที่ได้พร้อมๆกับปัญญาวิมุตตนั้นโดยฐานเป็นบาสให้แก่ปัญญาวิมุติก็ดีกลายเป็นอกุ ป, ปาเจโตวิมุตต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 คือเจโตวิมุตต์ที่มีปัญญาวิมุตต์ร่วมด้วยแล้วนี่เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแก่นและเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังในมหาสาโรโภปมสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญนาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมัมมยวิมุตตนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยภิกษุทั้งหลาย โดยนัยยะฉนิแลพรหมจรรย์คือศาสนานี้มิใช่มีลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอนิสงมิใช่มีศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงมิใช่มีสมาธิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงมิใช่มียาทัทสนะเป็นอนิสงแต่พรหมจรรย์ น, นี้มีอกุปาเจโตมิมุตเป็นประโยชน์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 มาเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นเลย